ช่วงนี้กําลังอากาศดีกลางวันก็ไม่ถึงกับร้อนมากแต่กลางคืนเนี่ยเหมือนกับติดแอร์ห้องใหญ่เลยว่างั้นจ้ะติดแอร์ยีองศานอนสบายๆพักสบายๆกลางคืนกลางวันนี่จะจะร้อนหน่อยตอนบ่ายแต่ถึงจะร้อนยังไงบ้านของเราก็ยังมีร่มไม้ต้นไม้ใหญ่ถึงจะผลัดใบ ก็ไม่ผลัดใบพร้อมกันเหมือนกับบางแห่งที่เป็นโคกเป็นแพะป่าเต็งรังไม้จิกไม้รังทา ง, ทางอีสานเขาพูดนะอันนั้นถ้าใบร่วงแล้วจะร่วงหล่นพร้อมกันเหมือนกับไม้สักอย่างนั้นอนะ่ะแต่วัดของเราเป็นวัดป่าดงดิบเวลาจะผลัดใบมันจะเปลี่ยนกันต้นหนึ่งผลัดแล้วก็ต้นหนึ่งก็ยัง ใบยังเขียวชุ่มพลัดกันเปลี่ยนกันพัดใบว่างั้นอ่ะอันนี้คือป่าดงดิบมันจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดถ้าไฟไหม้มันก็ไม่ค่อยจะไหม้เท่าไหร่ทําให้แห้งแล้งจริงๆม่เหมือนป่าโคกป่าแพะป่าเต่งรังน่นทำมาไฟไหม้โอ้ไหม้จริงๆไฟไหม้ป่าแต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกเบาบางแล้วล่ะ เรื่องไฟไม่ป่าในทินอีสานบ้านของเราเนาะเพราะว่าพี่น้องประชาชนปลูกยางกันเป็นส่วนมากพอปลูกยางเข้าไปที่นี่ถ้าใครไปจุดไฟจุดที่ไหนถ้าจุดที่ไหนมันลุกลามมหาสวนยางของเขานั่นแหละแปลว่าไอ้ต้นไฟหรือว่าเจ้าของของไฟนี่ยต้องได้ขายไร่ขายนาใช้หนี้เขาเลยละ ว, ว่างั้นน่ะ เพราะนักใครไปดงป่าเนเดีย ว, วยทุกวันโอ้ลมัดระวังอย่างมากเขาจะไม่จุดไฟเหมือนแต่คนก่อนหลวงพ่อเขาว่าดีเพราะว่าการจุดไฟเผาป่านมันไม่ไมชึกตัวเองคนที่ทำาน่มันสนุกนะจุดแล้วก็แล้วไปแต่ความเดือดร้อนน่พวกสัตว์ทั้งหลายพวกจิงจกตุกแกจิงเลนมแมลงต่างๆ ที่ไฟไปไห ม, มนะ้มันนะโอ้มันหนีกระเสือกกระสนหนีไปพอนี้ไปแล้วยังไม่แล้วยังพวกนกคอยจิกกินมันอีกไงสรุปแล้วเดือดร้อนไปหมดแต่คนที่ทำไม่ได้คิดจุดไฟเผาป่าไแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีแ ล, ล้วล่ะในถิ่นแถบของเราเพราะว่าไฟไหม้ป่านู้สึกน้อยมากไม่เหมือนแต่ก่อน ตะก่อนโอ้แต่พูดอย่างนี้พวกที่นั่งอยู่ในพวกผู้เท่าผู้แก่คงจะระลึกได้ย้อนหลังไฟไม่ป่ามันน่ากลัวขนาดไหนว่างั้นแต่ทีนี้ไม่มีละนี่แหละบ้านเมืองกพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่ามีสิ่งบังคับหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องให้เข้ากฎเกณฑ์มันเปลี่ยนแปลงไปหลวงพ่อมาดอยู่ใหม่ๆสมัยก่อน งห น, น้าเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยน้ำค้างเนี่ยยนหล่นพลอบพลีบเพลาบพลีบทั้งคืนนะแต่ทุกวันนี้หมดแล้วไม่มีแห้งเพราะเหตุไรเพราะว่าคนถางป่าดวงพงไพยออกหมดความแห้งแล้งความชื้นไม่มีมันก็เลยแห้งงานนี้ก็คือธรรมชาตินะแต่ถ้าพวกเรามาอยู่ในธรรมชาตินยุคแต่ละยุค มันก็ควรจะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเราไปอยู่ณนะสถานที่ใดเราก็ปรับตัวกับธรรมชาตินั้นเหมือนกับกิงกก่งกากิ่งกาถ้ามันไปอยู่ในป่ามันเอาตัวรอดของมันมันไปอยู่ในที่ไหนมันก็พยายามทําให้เหมือนกิ่งไม้แถวๆนั้นมันจะไม่ชูคอมันจะไม่กระดุกกระดิกมันจะอยู่นิ่งๆแต่ถ้ามันกระดุกกระดิก มันทำตัวแปลกปลอมกว่าธรรมชาติมันก็เป็นอันตรายสำหรับชีวิตของมันเหมือนกันพวกเหี่ยวพวกอะไรมองเห็นได้ง่ายเพราะมันมันแปลกแตกต่างแต่ถ้ามันอยู่กม ก, มกลืนกับธรรมชาติแล้วศนะัตรูของมันมันก็มองไม่เห็นอันนี้เราไปอยู่ณนะสถานที่ใดชุมชนกลุ่มใดเราให้ทำถูก กับธรรมชาติของเขาที่มีกฎเกณฑ์นั้นๆเมื่อมีเขามีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราเข้าไปเราก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นๆที่เขาตั้งเอาไว้ถ้าเราทำแปลกแตกต่างกว่ากฎเกณฑ์ของเขาเราก็เป็นพิษภยัยอย่างยกตัวอย่างอย่างประเทศเขาที่เข่งเข่งครัตในกฎหมายถ้าว่าใครก็ตามค่ายาเสพติดมีอาวุธ ปืนในครอบคร้องถ้าเขาจับได้โทษประหารอย่านี้อันนี้ก็คือเราเข้าไปเราก็ต้องเรียนรู้ว่ากฎเกณฑ์เขาเป็นยังไงถ้าเราไปอยู่ใน ส, สถานที่ใดเราก็ควรจะปรับตัวเข้ากับสถานะ น, น, น, นั้นๆชีวิตของเราก็เป็นสุขราบรื่นเพราะเรารู้จักปรับตัวอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ากาลเทสะบุคคลอัตัญุตาอัถถัญุตามัดัญุตาปริสัญญุตาเนี่ยคล้ายว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทัดไปให้รู้จักตนให้รู้จักชุมชนให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักประมาณตนเมื่อเราเข้าไปหาชุมชนนี้เราควรจะพูดยังไงเราควรจะคิดยังไง เราควรจะทํายังไงในเมื่อเขาไปหาบุคคลคนนี้ปุกละปุกละปรูปรัญยุตาเรารู้จักประมาณตนเเราอยู่ในสถานะอย่างนี้เราจะเลี้ยงชีพยังไงจึงจะถูกต้องเมื่อเราอยู่นักการสถานที่แห่งนี้เราอยู่ในสถานแห่งนี้เราควรวางตัวอย่างไรมันจึงจะถูกกับขณะที่เราอยู่ในขณะนี้ อันนี้พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้คือให้ใช้ปัญญาในการเอาตัวรอดในการเป็นอยู่ของพวกเรานะในเมื่อพวกเราทาถูกกาละเทศะบุคคลแล้วนั่นแหละจัดเป็นหมวดศินสินคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินถึงจะไม่เรียกว่าศินแต่ก็เป็นศินถึงจะเรียกอย่างอื่นก็เรียกกฎระเบียบก็ว่าไป ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ว่าไปแต่ว่าในกฎนั้นไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอ น, นันตจัดว่าศีลํำรวมกายวายจาคือความถูกต้องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจากนั้นท่านไม่ไม่เหตแต่ํำรวมกายกับวายจากายกับวายจานั้นมันยังเป็นส่วนหนึ่งข้างนอกไปอีกส่วน พระพุทธเจ้าให้ดูจริงๆคือให้ดูใจท่านบอกว่ากายกับวาจาจะดีไปได้ต้องอาศัยใจต้องใจต้องได้รับการอบรมใจของเราต้องได้รับการอบรมอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้คือหลักธรรมคำสอนอันนี้เป็นการคิดผิดในเมื่อคิดผิดเมื่อทำออกไปก็ทำผิดพูดออกไปก็พูดผิดในเมื่อเราศึกษา ตามแนวแถวของพุทธอันนี้คือคิดถูกเมื่อทำออกไปก็ทำถูกเมื่อพูดออกไปก็พูดถูกเพราะเหตุอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยได้รับการอบรมทางด้านธรรมะเพรา ะ, ะนั้นจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมระวังมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยใจหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ท่านเน้นเรื่องใจในี่จะทํายังไงจะอบรมใจเนจะอบรมอย่างไรอบรมใจมันอบรมยากเหลือเกินเหมือนกับลิงลิงป่าเราจะอบรมมันได้ยังไงมันลิงอยู่ในป่าเราจะอบรมอ้าวลิงเธอต้องกระโดดตรงนั้นนะทําอย่างนี้นะมันจะอบรมได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะมันเป็นลิงป่า แล้วเราจะทำยังไงจึงจะอบรมมันได้ให้ริงมันเชื่องให้ริงมาทางานได้มันก็ต้องจับมันมาเยนะคำว่าจับนั่นก็คือการบังคับแหละทีนี้บับงคับบังคับริงให้อยู่ในเชือกให้อยู่ในโซ่และ็อยู่ในที่มันจะไม่มาทำลายเราอีกต่างหากเพราะจับเสร็จแล้วทีนี้ก็ให้มันอยู่ในกรอบจากนั้นก็บังคับมันถ้าว่ามัน มันบังคับยากเราก็ไม่ให้มันกินน้ําไม่ให้มันกินอาหารในเมื่อไม่กินอาหารมันก็ยอมแหละท่านนมันยอมแหละเพราะเหตุอะไรเพราะมันเอาอักับเราไม่ได้เราก็บังคับมันให้ทํำยังไงเราก็มีแท้ท่านนี่มีมีโซ่มีแท้อะไรพร้อมที่จะชี้ให้มันทําอะไรมันก็ทําเพราะเหตุอะไรเพราะเราบังคับมันให้ทํานี้ก็เหมือนกัน่ะใจของเรา คงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวล่ำเวลาแล้วเราจะจับใจของเราเนี่ยมาได้โดยวิธีอย่างไรพระพุทธเจ้าตรันว่าให้เอาสตินี่แหละสติสัมปชัญญะเหมือนกับโซ่เหมือนกับเชือกไปมัดกับคอลิงคือไปมัดกับใจของเราให้สติสัมปชัญญะไปมัดกับลิงในเมื่อมัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ามันยังคึกมันยังขนองมันยังไม่เชื่อฟังอดนอนผ่อนอาหารคือให้มันทอมผ่อนทางผ่อนทางร่างร่างกายกำลังร่างกายลงก่อนพอผ่อนกำลังทางร่างกายลงแล้วทเนีใจมันก็มันก็จะสยบแรละเธอหนียว่าให้อดนอนผ่อนอาหารตัดกำลังความคึกขนองของใจพอจากนั้นสติสัมปชัญญะของเราก็ พยายามสอนนะแต่อยากกระโดดโลดเต้นนะให้นิ่งนะให้หยุดนะสติมันก็เข้ามาอยู่กับที่เรากําหนดไว้เราก็จะกำหนดที่ไหนถ้าเราเดินเราก็กําหนดที่เทา้าขาขวาพุทขาซ้ายโถขาขวาพุทซ้ายโถพุทโถพุทโถทถ้าเรานั่งก็กําหนดที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหายใจเข้าพุทหายใจโถได้ละ บังคับลิงเลยทีให้มันอยู่นิ่งให้มันควรแก่การจะดำเนินงานต่อไปถ้าลิงมันยังไม่นิ่งจะให้มันทำงานอย่างอื่นเออมันก็ลิงป่ามันบังคับไม่ได้เพราะนั้นทำคําสอนที่สมาธิสมาธิเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลคือเป็นเชือกที่จะมัดตัวลิงให้อยู่แล้วก็บังคับ ให้ทำงานให้ศึกษาจากนั้นบางคนบางท่านก็บอกว่ากิเลสมันออกมาพูดอีกว่าที่พวกเราเอาก ร, รมาฐานเนี่ยพุโทโธคือเป็นที่เคารพสูงสุดคือพระพุท ธ, ธายาแต่ทำไมเราเออกมาลงที่ขาของเราที่เท้าของเราขาเท้าเหยียบย่าไปพุโทโธมันก็เหยียบเหยียบพุโทโธอย่างนั้นใช่หรือไม่ กิเลดมันมันต่อต้านขึ้นมานะแต่ก็โอ้ถ้าผู้ไม่ได้คิดเออใช่พูดจะไปเหยียบย่ำพุโทโธได้ยังไงแต่ตามไม่จริงใครเป็นคนคิดว่าเท้าสูงหัวสู ง, สงหัวสูงเท้าสูงเท้าต่ําหัวสูงใครเป็นคนคิดใครเป็นคนให้สมมุตินั้นก็ใจของเราเหมือนกันที่ให้ความสมมุติว่าอันนี้คือเท้านี่ต่ำหัวในเรานี่สูง หัวกับเท้ามันไม่ได้บอกว่าข้าในต่ำหัวในสูงไม่ได้ว่าใจของเราไปให้ความสมมุติไปสมมุติว่าเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าพวกเราว่าเท้ามันต่ําตัดเท้าทิ้งซะมันหัวมันจะไปได้เหรอที่ว่าหัวสูงอย่างเดียวเอาหัวเดินดูสิจะหัวจะเดินได้ไหมแต่ตัดเท้าทิ้งถ้าจะว่าไปมันสูงด้วยกันหมดทุกอย่างทั้งหัวทั้งเท้า อวัยวะของเราทุกส่วนคืออันเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันมันเสมอกัรสูงเสมอกันต่ําเสมอกันอสุภาพเสมอกันารปฏิกูลเสมอกันถ้ามีคุณค่ากับคุณค่าเสมอกันเพราะนั้นเราอย่าไปคิดเอากิเลสเข้ามาขวางขวางจิตใจของเราเพราะนั้นเราจะภาวนาพุทโธก็คือพุทโธในการเดินพุทโธในลมหายใจเข้าออก ให้มีสติสัมปชัญญะอย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกนมนานแล้วกี่ปีถึงบัดนี้เรานับรู้สิชีวิตของเราได้อะไรจิตสงบนาทีสันติปรังสุขขังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เราได้สงบทดลองดูได้อย่างถ้ายังไม่สงบเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าท่าน ที่ท่านสงบท่านทํำยังไงท่านกําหนดลมหายใจเข้าออกที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนในวันนั้นท่านกําหนดลมเพราะนั้นกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านสิทธะทียันที่ท่านยังไม่ได้ตัดรู้ในวันนั้นในวันเดือนหกเพนท่านกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักจากนั้นจิตของพระองค์ใจขององค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เมื่อจิตรวมแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วในปฐมมยามเกิดชาญเกิดยานทัศนแระลึกชาติถนหลังได้อันนี้หลวงพ่อพูดยาอยู่เสมอว่าพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วที่โครนต้นโพธิท่านพิสูจน์นนอย่างไรถ้าพวกเราไม่ง่ามากนะพวกเราก็คงจะพิสูน์ไม่ได้ฟังไม่ออกถ้าเรา ใช้ความคิดหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าพิสูจน์ยังไงท่านนั่งสมาธิเรากวนั่งสมาธิดูสิพิสูจน์อย่างที่พระพุทธเจ้าพิสูจน์เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านไปจับไฟจับไฟโอ้ไฟเนี่ยมันร้อนนะไฟมันร้อนนะท่านเราไม่เชื่อจะทํำยังไงเราก็ต้องไปจับดูสิไปจับไฟเลยสิจับไฟมันก็ร้อนไปดื่มน้ำเลยสิน้ํามันเย็นนะไปดื่มน้ํามันก็เย็นไงพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วท่านจึงได้บอกกล่าว ท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาปฏิบัติธรรมอย่าลวนเละให้ตั้งใจอกตั้งอกตั้งใจทําจริงๆให้อยู่ในความสงบให้ดูใจของตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะสตินั่นแหละคือเป็นโซ่เรียเป็นเชือกมัดจิตใจของเราใจของเราเดี๋ยวนี้ปุ่มฟุง้งอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรู้หรอก ตัวเรารู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดเดี๋ยวนี้เราใจของเราคิดปุ่งฟุงร่านเรื่องอะไรนี่แหละเราต้องใช้โซ่หรือใช้เชือกหนึ่งดึงลังเข้ามาเข้ามาให้มันอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งพุทโธก็ได้ธรมโมก็ได้สังโฆก็ได้สุดแท้แต่ใครเคยภาวนาอะไรแต่กรรมฐานสายหลงปู่มั่นของเราเ พ่อแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะเล้นหนักเรื่องให้ภาวนาพุทธโธเนี่ยเป็นหลักให้กําหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดาท่านว่ามันสั้นเกินไปมันอาจจะหลุดออกได้ในช่วงนั้นให้บริกรรมกําหนดลมหายใจบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธเอาพุทโธเขาเป็นเครื่องกํากับเข้าไปด้วยมันจะตั้นเข้าไปมันจะจับติดเข้าไปใน กรรมฐานในจิตใจของเราสรุปแล้วก็คือท่านให้ดูใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นให้ฝึกใจถ้าพอเราฝึกใจดีแล้วได้รับการอบรมดีแล้วใจของเราได้รับการอบรมดีแล้วใจของเราดีแล้วการกระทำออกไปก็ดีการกระพูดจะพูดอะไรอะไรออกไปก็ดีเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้รับการอบรม ใจแล้วการกระทําออกไปก็มันสเปะสปะการพูดออกไปก็สเปะสปะเนะีนะ่ยเพราะนั่นตรงได้รับการอบรมเห็นไหมนะเสียงลิงเมื่อกี้เนะี่ยลิงมาได้รับการอบรมไปเขย่าสังกสีเนะี่ยดังสนั่นวันไใบหลวงพ่อกําลังเทศมันก็ไม่ฟังฮนะเป็นอย่างงั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะลิงมันดื้อว่าไงนนะเออมันไม่ยอมฟังนะเพราะลิงมาได้รับการอบรมนะ เพราะนั้นพวกเราอบรมหน้าคณะสัทธา ญ, ญาิโยมพระใ น, นลูกหลานทุกองคหน้าตั้อกตั้งใจภาวน า, าอัต่อนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร